สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้ า, าพเจ้าพระมหาภัยบุย์พิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกข้ า, าพเจ้าคิดว่าคนที่ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำไม่บาดจะฟังมาเป็นหลายเดือนหรือหรือว่าหลายปีแล้วก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งผู้ฟังทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย ที่ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com แล้วก็ไปฟังแล้วต่อเนื่องกันตอนนี้แล้วก็ต่ออีตอนหนึ่งเนี่ยคงจะสังเกตได้ว่าในแต่ละตอนบางทีก็ขึ้นต้นหัวเหมือนกันเลยรายการธรรมะรับบริทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังถ้าราะว่าเรามีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจเนี่ยความเบื่อจะไม่เกิดไม่ว่าจะมีอะไรที่มาซ้ำมายำ้ำ แเราก็จะมีสติตั้งอยู่จริงๆแล้วทุกอย่างในสังสารวัฏเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเปรตอสูรกายต่างๆมันเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเพราะมันไม่มีอะไรที่มันหลุดออกไปจากตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจได้เทวดาก็อยู่ในหกอย่างนี้เป็นพรหมเป็นสัตว์นรกก็อยู่ในหกอย่างนี้สุขทุกข์ต่างกันไป แต่ว่ามันเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้ น, นลงๆมีปัจจามีเวทนาอยู่ตลอดเวลาแต่เห็นตรงนี้เป็นคนรจะต้องเบือ่อไม่ใช่ว่ามาฟังหัวรายการแล้วจะรู้สึกเบือ่อหรือว่าฟังตรงนั้นเอาเรื่องนี้พูดอนะไกละเรื่องนั้นพูดอีกลนะเบือ่อมันควรจะเบื่อให้มันถูกจุดเบื่อในที่นี้ให้มันถึงความว่าเป็นนิพพิธาคือความหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วให้ใคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วให้ปล่อยวางปล่อยวางอะไร ปล่อยวางความทุกข์ในใจปล่อยวางความยึดถือในใจปล่อยวางความสุขปล่อยวางความทุกเอาปล่อยวางสุขทุกแล้วเหลืออะไรมันเหลือความว่างนดี๋ยมาฟังในความว่างเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความที่สบายอยู่ในภายในในความสบายภายหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่เป็นความเบาเป็นความเย็นแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะชอบหรือฉันจะไม่ชอบชอบไม่ชอบปล่อยวางไปตั้งนั้นแล้ว ถ้ามันนายจริงๆแต่ถ้ายังไม่นายยังไม่เบื่อเดี๋ยวฟังให้มันซ้ำจนกระทั่งมันเบื่อมันนายฟังจนแผ่นทะลุฟังจนวิทยุถานหมดฟังจนคอมพิวเตอร์พังเอามันจะเบื่อไหมดูหนังบางเรื่องฟังเพลงบางเพลงฟังมันจนแผ่นทะลุจนเครื่องพังแล้วแต่มันจะเบื่อไหมเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบแต่ก็ฟังดูดูดูดูเข้าไปไหีให้มันเบื่อให้มันนายนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผมหวังว่า ฟังธรรมะแล้วไม่ว่าจะฟังตอนหัวตอนกลางตอนท้ายมันต้องหน่ายมันต้องเบื่อมันต้องเกิดนิพิธาคือความหน่ายจากอะไรจากความที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากความที่มันจะไปยึดถือจากความที่มันจะไปก้าวลงยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตน <c oughs> เห็นว่าเป็นเหมือนกับมีอะไรอะไรเหมือนกับพยายแดดมันก็เป็นอย่างนี้แหละสังสารวัตมันเป็นอย่างนี้เริ่มต้นรายการจะไม่พูดอย่างนี้จะไปพูดอะไร ก็ต้องพูดอย่างเงี้ยก็ต้องพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้พอใช้ไม่พอใจนี่เราต้องวางอยู่ที่ในใจของเราคนฟังยังเบื่อแล้วคนพูดจะไม่เบื่อต้องคิดดูคนพูดก็เบื่อเหมือนกันเอาแต่ทํำไมยังพูดอยู่เบื่อแล้วมันเย็นท่านฟังเบื่อแล้วมันเย็นอยู่ในภายในเบื่อให้มันถูกเบื่อแล้วไม่ใช่เบื่อเซ็งแต่เบื่อหนายแล้วให้มันเย็นอยู่ในภายในแต่เย็นอยู่ในภายในจะทําซ้ําทําย้ําทําเหน็ดทําเหนื่อย เหนื่อยกายเหนื่อยสมองแต่แต่ว่าใจก็อย่างสบายอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราฟังธรรมะธรรมฝังไหนมีความอดทนให้มีความมั่นใจไหนมีความสบายใจเถต่ว่าธรรมะไม่ว่าฟังตรงไหนซ้ำเหมือนเดิมก็ตามแตกต่างกันไปก็ตามถ้จาจะดูดูแล้วมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต่างกันไปเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่อันใดก็อันหนึ่งแต่ถ้าจะดูดูแล้มันแตกต่างกันไป นั่นก็มีแง่มุมนั้นมีแง่มุมนี้แต่คนเราวันคนลรเรื่องพูดกันไปก็เป็นธรรมดาแต่มองมุมไหนก็ได้ที่จะให้มันเกิดประโยชน์เป็นความที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสบายใจมีความเย็นใจโดยในแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้ามาพบกับท่านบุฟังแต่ก็ขอสักวันหนึ่งและในสัปดาห์หนึ่งที่ว่าจะมาอ่านพุทธพจน์ให้กันฟังตัวข้าพเจ้าเนื้อหาที่มาเทศมาสอนมาบอกให้ท่านบุฟังนั้น ก็มาจากพุทธโพ์เหล่านี้นี่แหละอ่านบันทึกเสียงให้ฟังบ้างอ่านเองใคร้ครวนพิจารณาบ้างประสุตนั้นประสุตนี้หาข้อมูลเพราะพระพุทเจ้ามีความรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วจริงๆรินดีแล้วมากๆดีแล้วสุดยอดเลยทั้งตัวผู้สอนเองก็ดนีนดีตรงที่ว่าจิตใจไม่มีราคะไม่มีโทวสักไม่มีหมอดีตรงนี้ตัวเองดีด้วย ทําเองได้ด้วยทําเองด้วยดีด้วยนี่คือตัวของผู้ที่สอนผู้ที่บอกแต่นะผู้สอนผู้บอกในธรรมะในนี้มีคนเดียวต้องฟังคือสมมนาโคดมมีคนสอนคนเดียวแล้วสาวกพวกนี้เป็นอะไรแต่ประสาทิีบุตรเป็นใครพระมหาโมคละณะเป็นใครหรือแม้แต่พิสูจ์ในปัจจุบันหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองเถอะนะข้าพเจ้าเป็นใครพวกพิกษุสงฆ์เนี่ยพวกพิกษุสงฆ์เนี่ยกเ็เป็นผู้เ ด, เดินตามผู้ทําตามคําสอน เอาคำสอนนั้นมาบอกมาเล่ามากล่าวมาพูดต่อแล้วก็อย่างที่ข้าพเจ้าทำนี้เอาคาสอนต่างๆเหล่านั้นมาบอกต่อกับท่านผู้วังเป็นผู้ที่บอกต่อกํำสอนแล้วตัวคำสอนเองนี้ก็ดีด้วยคำสอนนี้ดีด้วยคือคำสอนคือเป็นธรรมะที่บอกที่สอนเนี่ยก็มีการกำหนดบทเพียญชนะเอาไว้อย่างดีในการที่กำหนดบทเพียญชนะไวอ้อย่างดีไม่ขัดกันนี่มันดีการที่สามารถที่จะรู้ได้เฉพาะตน การที่สามารถที่จะเก็บไว้ได้รักษาไว้ได้ไม่เป็นสิ่งที่จะถูกทําอันตรายได้โดยภัยธรรมชาติต่างๆพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ประเด็นธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีในดีด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้แล้วคนที่เอาข้อมูลนี้ไปทําไปปฏิบัติอย่างที่บอกว่าธรรมะอันประผู้มีพระภาพประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยดีที่ผู้พูดดีที่ตัวธรรมะเองแล้วคนที่เอาไปทําเอาไปใช้ก็ดีด้วย นั่คือความที่ถ้าเราเอาคุณธรรมเช่นศีนแลแเช่นสมาธิเอา้าทําให้มันเกิดขึ้นให้เกิดมีเอา้าคนทําให้มันเกิดขึ้นเกิดมีนี่มันดีนะเนี่ยมันดีสามต่อตรงนี้ดีทั้งผู้บอกดีทั้งตัวธรรมะเองดีทั้งผู้ที่จะเอาไปใช้งานดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบุรณสิ้นเชิงพร้อมตั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะลึกด้วยกว้างด้วยนะลึกในที่นี้หมายถึงลึกซึ้งในเรื่องของตัวบทพยัญชนะ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กว้างขวา ง, วางแยกแยะออกไปในเรื่องของอัตตะกว้างด้วยลึกด้วยแต่คือบางคนคิดว่าจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะมันจะลึกเกินไปเจาะเกินไปนะไม่กว้างไม่ใช่แต่นะเพราะว่าความกว้างขวา ง, วางมันอยู่ที่การนําำอาไปใช้งานซึ่งแน่นอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปใช้งานให้ทุกที่ทุกฟังใช้งานที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ขับรถอยู่ก็ใช้ได้ เจอฆ่าศึกศัตรูก็ยังใช้ทำมาได้เหมือนกันแต่ไม่มีศาสตร์อะไรในโลกเราทั้งหมดฝังที่มันจะใช้งานได้กว้างขวางแยกแยะแจกแจงได้ขนาดนี้คุณไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วคุณไปฝรั่งเศสโอ้ะจะพูดภาษาอังกฤษตรงนั้นแหม้มันก็ไม่ได้เราเป็นคนเลอะเรื่องไปะ ล, ะละหรือว่าคุณเรียนวิชาการตลาดวิชาแพทย์วิชาวิศวกรรมวิชาบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะแล้วมันก็ใช้ได้อยู่ในแขนงนั้นๆเท่านั้นเองแต่ซึ่งนิมก็อยู่ที่ วิธีการดํารงชีวิตของใครด้วยแต่นะว่าถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นแหละจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรยอยู่ในด้านไหนนะั้วิช า, าอาธรรมะมาใช้นั้นก็เป็นการดีโดยข้าพเจ้านั้นก็จะมาทําหน้าที่ของสมณธรตมฟังในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจําแจ้งเรื่องนี้ข้าพเจ้าท่องอยู่ทุกวันเลย จะบอกไงไม่ใช่จะบอกวันเบื่อและวันศุกร์ท่องมันอยู่ทุกวันแหละว่าหน้าที่ของพระเนี่ยคือการห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางสวรรค์ให้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ฟังให้มีความจำแจ้งท่องทุกวันเลยจะบอกให้ไม่เบื่อหรอกฟังมันเข้าไปเถอะฟังมันเข้าไปธรรมะเนี่ยมันดีฟังแล้วเบื่อมันยิ่งดีเบื่อแล้วมันให้มันหวังอย่างที่ว่านั่นแหละมาทําหน้าที่ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจำแจ้ง การนเอาพระสูตรเรื่องราวต่างๆนะที่ปรากฏอยู่ในตามพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลเป็นชั้นเป็นสืบทอดต่อๆกันมาในะชั้นข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์ะก็มีบอกเอาไว้การที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านทําหน้าที่ในการอธิบายสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นะเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นอัตคาถาอัตคกถานี่ก็หมายถึงการอธิบายที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก็มีที่เป็นไปในสมัยต่อมาก็มี เด็กก็มีเป็นอีกชั้นหนึ่งแต่เป็นข้อมูลใกระดับหนึ่งในชั้นต่อมาเดที่เป็นการอธิบายตรรกะฐาอีกทีหนึ่งที่ให้ไปถึงพุทธพจน์นั่นแหละแล้วก็เป็นข้อมูลชั้นต่อต่อมาต่อต่อมาหรือแม้แต่การอธิบายของข้าพเจ้าการสรุปรวมความแยกแยะแจกแจงนั้นก็เป็นงานอธิบายอย่างหนึ่งในการทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดด้วยมีคํานี้ด้วยอยู่ในหน้าที่ของประสงค์ เรื่องราวที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลผู้ ค, คหนึ่งที่เขานามสกุลวัชชาแต่ บ, บุคคลที่นามสกุลวัชชาเนี่ยก็มีหลายคนท่านฟังคือในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวของวัชชาโคดคือคนที่นามสกุลวัชชาเนี่ยอยู่หลายคนจริงๆแล้วนามสกุล น, นี้ถิ่นกำเนิดบ้านเดิมเขาเนี่ยก็อยู่ที่เมืองราชกระ แต่ดูเหมือนว่าก็จะมีการเดินทางไปอยู่อาศัยตามที่ตรงนั้นที่ตรงนี้ไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ตั้งรกรากกันไปอย่างนี้มีอยู่ก็เหมือนกับตระกูลของพระพุทธเจ้านี่แหละตระกูลศากยะเนี่ยบางทีก็ไปอยู่ที่เมืองจามรุมคามบ้างอยู่บ้านเดินตัวเองที่กรุงกัมพูชาต์บ้างแย้ายไปอยู่ตรงนู่นตรงเมืองที่เป็นบางกละเทศในปัจจุบันก็มีนไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นที่นี่ที่โน่นก็มีแในตระกูลวัชชะนี่ก็เหมือนกัน ไปเจอ พ, อพระพุทธเจ้าอยู่หลายที่แล้วก็หลายคนด้วยนะมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์เนี่ยทั้งในอังคุตระนิกายก็มีสังยุตตะนิก า, กายก็มีมัชฌิมานิกายนี่ก็มีอยู่หลายพระสูตรแตนะพระสูตรที่เลือกมาให้ท่านผู้ฟังฝั่งนี้เป็นวจาศโคดนะคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนเะพราะว่าเป็นเรื่องที่ต่อต่อกันมาอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13บสามตั้งแต่ข้อที่240รนะ้มันมีอยู่3าพระสูตรด้วยกัน เรื่องที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็ที่มายอยู่ในมัชชิมะนิกายในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่เพราะว่าเป็นตามลําดับขั้นมันมีอยู่3มเรื่องด้วยกันในที่นี้เรื่องแรกอา้าวพระพุทธเจ้าไปบินฑบาทอย่างเช้าเกินไปแล้วก็ไปขอนั่งพักอยู่ที่อารามของวัชชากลดนี่แหละซึ่งวัชชากลดคนนี้เขาบวชเป็นปริภาชกเป็นเคราดก็มีเป็นปริภาชกก็มีปริภาชกนั้นก็หมายถึงนักบวช ในทางคําสอนอื่นๆที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมันมีอยู่หลายแบบนักบวชเปลือยกายก็มีนักบวชชนิดที่เรียกว่าห่มผ้าชนิดต่างๆก็มีหลายแบบนไว้ผมก็มีคนผมก็มีมีหลายประเภทวชิระปริภัชชกนี้เขาก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไปพักอยู่ที่อารามของเขาก่อนที่จะไปบิณาบาตอันนี้คือเรื่องที่1ก็เรียกว่าจุลละวชิรโคตสูตร ถัดมาไปพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ที่วัดเชตาวันเมืองสาวัตถีนู่นแล้วก็ไปถามคําถามเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิ10ประการแล้วครั้งที่3ามเราก็มาพบกันอยู่ที่บ้านเกิดที่เมืองราชกฤตที่วัดเวรุวันในคราวนี้บวชเลยแต่คือพบกันครั้งแรกเนี่พูดคุยกันนั้นเออก็มีความยินดีในคําของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดดีนะพูดดีก็คิดแค่นี้นี่คือเจอกันครั้งแรก ตอนที่อยู่ที่อารามของเขาหนึ่งในที่เมืองเวสาลีครั้งแรกเจอกันที่เมืองเวสาลีแต่ไม่ได้เจอกันในป่ามหาวันนะอันนี้เจอกันที่อารามของปริพาชกเขาที่เมืองเวสารีรอบแรกเจอกันนี้แต่ก็มีความชื่นชมยินดีในคำสอนคำตอบของพระพุทเจ้าฟังดูเข้าท่าอันนี้คือเจอกันรอบแรกที่เมืองเวสาลีเจอกันรอบสอที่เมืองสาวถีวัชเชตวัน อันนี้ถามคำถามที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นใ น, นเกี่ยวกับเรื่องที่ทิ10พระพุทธเจ้าตอบปัญหาให้มีความพอใจยินดีประกาศตัวว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งนั่นนี่ดีขึ้นมาอีกมีการสมาทานไตราสารนครนั่นไม่ใช่แค่ชื่นชมยินดีเฉยๆรอบที่สนี่ฟังให้มันลึกซึ้งจนถึงเรื่องของอภิญญาหกแล้วก็เลยขอบวชเลยทีนี้นขอบวชแล้วไม่ใช่ธรรมดา1ิบห้าวันบรลุเป็นพระอารานัน น, นี่ทําให้ข้าพเจ้าคิดว่าเออน่าจะเป็นคนเดียวกันนต่ว่าบริพาชกที่นามสกุลวัชชาถามคําถามเป็นลําดับขั้นในสมสถานที่นี้แล้วศรัทธามากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นต้องการจะทําจริงประพฤติจริงมากขึ้นจนทําได้ถึงที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์ในพระสุตรที่3ามตัดกันมานี้ก็เลยทําให้คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน่ที่ได้ฟังเรื่องราวเดิมแล้วก็มีการปลูกศรัทธา นี่คือลักษณะของการปลูกศรัทธาเดิมฝังแต่ว่าเอ๊ะบางทีเราฟังแรกๆ ก, ก, ก็ก็โอเคนะก็อย่างงั้นนะก็ดีนะ่ะก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ดีแล้วมันก็ดีละ่และแต่ฟังไปฟังไปมีความมั่นใจมั่นใจมากขึ้นเออจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันทีนี้จะเอามาใช้ทําให้เกิดมีทําให้เกิดขึ้นนั่นคือการสมาทานไตรสระนกมอย่างกรณีของปริพาโชคชื่อวชชะโคดนี้แต่เขาก็นับถือพระพปุทธพระธํามพระสงค์เป็นที่พึ่งถึงแม้ว่าก็จะยังจะเป็นปริภาชคอยู่นั่นแหละ อาจจะเป็นนักบวชในทางคําสอนของศาสนาอื่นแต่ก็ยังมีพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งได้เป็นลักษณะนั้นจนสุดท้ายมีการปลูกศรัทธามากขึ้น่มาที่บ้านเกิดของตัวเองที่เมืองราชชุกฤก็เลยบวชหลตงนี้บวชเลยซึ่งรายละเอียดในพระสูตรต่างๆที่มาเล่าให้ท่านบุฟังฟังเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การพบปักครั้งแรกที่เมืองเวสาลีนั้นนั่นก็ถามเรื่องของพระพุทธเจ้านี่แหละ ว่าที่พระพุทธเจ้ามีวิชาสามเนี่ยเป็นเตวิชโชเนี่ยคือผู้ที่มีวิชาสามอย่างมันมันมีอยู่ตลอดหรืออย่างไรก็คือคนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการที่จะไปรู้อดีตรู้อนาคตอ่านใจคนอื่นเนี่ยความสามารถนี้มีอยู่ใช่แตนะ่ต่อเมื่อน้อมจิตไปนะจึงจะได้รู้คือไม่ใช่ว่าไปเที่ยวรู้ตรงนั่นตรงนี้อยู่ตลอดเวลา แต่คนนั้นคิดยังไงฉันรู้ทันทีคนนี้คิดอย่างนั้นฉันรู้ทันทีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นบ้านะคนที่มาเที่ยวรู้คนนั้นคนนี้เนี่ยสมองมันก็ไม่ได้พักอะ่ะมีแต่ข่าวอะไรไรู้เข้ามาเต็มไปหมดแต่มันก็จะมีความวุ่นวายคนที่มีความสามารถในลักษณะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็เมื่อเวลาที่เขาต้องการรู้แต้องการรู้ก่อนน้อมจิตไปรู้จึงรู้ได้ในเวลาที่ไม่ต้องการรู้อย่างอยู่เป็นสุขในภายในสงบอยู่ในภายในไม่ยุ่งกับใครไม่สนใจใคร อันนี้เขาก็ทําไดน้นเหมือนเปิดวิทยุหรือเปิดทีวีเนี่ยแหละตั้งแต่ฟังไม่ต้องการฟังก็ปิดสิแต่ถ้าต้องการฟังก็เปิดเอาไว้อยากฟังขึ้นไหนก็จูนไปก็แค่นั้นเองนั่นเหมือนกันคือจะเปิดอยู่ตลอดมันก็บางเวลาไม่ต้องการมันก็จะเป็นการรบกวนเวลาไหนไม่ต้องการก็ปิดซะเวลาไหนที่ต้องการก็เปิดฟังได้ลักษณะ น, น, นั้นนที่เกิการพบปะครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวพระพุทธเจ้าซึ่งการตอบของพระพุทธเจ้าในที่นั้น ที่เมืองเวสาลีที่อารามของปริพาชกวชชโคตนั่นแหละนันก็ทําให้วชชโคดผู้นี้มีความพอใจนําพอใจว่าอืพูดมีเหตุผลนะ่ะนั่นไปในลักษณะนั้นการพบกันที่2ก็ที่วัดเชตาวันที่เมืองสาวัตถีการพบในครั้งนี้วชชโคตนี้เข้าไปหาพระบุทธเจ้าที่วัดเชตาวันแล้วก็ถามเรื่องของทิฏฐิสิประการถามเรื่องทิฏฐิสิประการ พระพระธเจ้าก็อธิบายให้ฟังนซึ่งตรงนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อ่านให้ฟังนะเมื่อวานนี้อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่244ก็ถัดกันมาแต่ถ้าผู้ฟังมีพระไตรปิฎกก็จะเปิดอ่านตามไปด้วยก็สามารถทําได้หรือว่าถ้าไม่ได้มีเนี่ยฟังไปอย่างนี้ก็เข้าใจเหมือนกั น, นเป็นเรื่องที่พูดถึงที่ฐิสประการทิ่ฐิสิบประการเนี่ยเป็นความเห็นที่เช่นวันโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้าง โลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างนี่เป็นความเห็นที่มีถามกันอยู่ด่า ด, ดืนในสมัยพุทธกาลซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เข้าไปข้องแวะด้วยสิ่งเหล่านี้ในตามวจชาโคดนี้เขาก็ก็มีความเห็นแบบนี้เหมือนกันในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันด่า ด, ดืนกันอยู่คิดกันอยู่ในสมัยนั้นก็แล้วคาถามพวกนี้มาถามพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าคําสอนอพระองค์ไม่ได้เข้าไปข้องแวะเรื่องพวกนี้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ว่าเป็นไปเพื่อความที่จะนายคลายกําหนัดความดับความระ ง, งับความรู้ยิ่งรูปร้อมเพื่อนิพพานนายคลกําหนัดจากสิ่งเหล่านี้แหละในการที่เราจะปล่อยจะวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เขาถึงนิพพานตรงนี้วชชะก็เลยถามเรื่องนิพพานเอาแล้วเป็นยังไงนิพพานแต่เป็นยังไงคนที่ตรัสรู้แล้ว เ, เป็นบรรลุนิพพานเนี่ยมีลักษณะไหนคือวชชะโคเขาถามมาคนที่มีจิตปณิวิเศษแล้วเนี่ยไปเกิดหรือเปล่าพระรูญเจ้าเขาบอกไม่ใช่ไม่เกิด เอาแล้วงั้นไม่ไปเกิดหรอแต่จะบอกว่าไม่ไปเกิดก็ไม่ได้เอาแล้วถ้างั้นเกิดหรือไม่เกิดกันแน่แต่ทั้งเกิดและทั้งไม่เกิดหรอทั้งเกิดและไม่เกิดก็ไม่ใช่อีกพระเจ้าก็ตอบอย่างนี้เอางั้นจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่งั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นแต่คือไม่ใช่ทั้งสอย่างนี้ละไหวงั้นเราก็งงเลยทีนี้วัชจาโคตรก็งงอแล้วมันเป็นยังไงกันแน่พระพเจ้าก็เลยยกอุปมาอุใหมยในฝันนั่นพูดถึงความที่ถ้าไฟเนี่ยมันนลุกโ่งงอยูข้้าาห ถ้าเรารู้เราทราบแต่ว่าไฟนี้ลุกโผล่ๆนี้เพราะมีเชื้อคือหญ้าหรือไม้มันจึงลุกโผล่ๆอยู่ได้แต่ถ้าเพราะว่าเชื้อคือหญ้าหรือไม้นั้นมันหมดไปแล้วแล้วก็ไม่มีเชื้อใหม่ไฟก็ดับไปแต่ถ้าเราจะบอกว่าเอาไฟไปทางไหนละ่ะเหนือใต้ออกหรือตกถต่พูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็แค่ดับไปเพราะความนิ่มหมดเชือช้อในเช่นเดียวกันจิตของคนที่หมดอาสวะนั้นก็ดับไปแต่จะว่าไปเกิดที่นันที่นมันพูดไม่ได้ พอวช่าได้ฟังเรื่องตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สรุปรวมมาขันห้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันขันห้าเป็นลักษณะที่จะไปยึดถือไม่ได้ทั้งหมดเชือ้อคือความยึดถือในขันห้าแล้วจิตนั้นก็เย็นนั่นคือเป็นพุทธีตึงนิพพานละแต่วชาว่าโค้ยก็มีความมั่นใจมากเกินในที่นี้อธิบายถึงว่าโอมันแก่นล้นลวนเลยเนี่ยแก่นล้นลวนๆ้วนแล้วก็เลยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งและถึงไตรสเลนสกมละ่ะนี่คือราบที่สองที่พบเจอกัน ระลอกที่3ามนัก็คือพระสูตรถัดมาคราวนี้ก็ไปพบเจอกันอยู่ที่เมืองราชกฤตเมืองราชกฤตก็เป็นที่บ้านเดิมบ้านเกิดของอตระกูลมัชชานี่แหละแล้วก็ถามเรื่องที่มันดีมากขึ้นคือไม่ได้ถามว่าที่จะไปต่อกอนหรือถามเพื่อที่จะไปล้วงข้อมูลอะไรต่างๆแต่ถามเรื่องที่เป็นกุศล อ, อกุศลไอ้ยังไงกุศลยัางไง อ, อกุศลแนี่มันเข้ามาในแนวทางธรรมะมากขึ้นอะไรเป็นกุศลอะไรเป็น อ, อกุศลแล้วก็อย่างที่ว่ากุศลกรรมบด ท, ทั้งสิบอย่าง กายสาวาจา4ี่ใจสมอย่างสิอย่างนี้ที่เป็นกุศลก็มี10อย่างนั้นที่เป็นอกุศลก็มีนั่นแบ่งแยกให้ฟังว่ากุศลอกุศลเอาแล้วถ้าบอกว่าทําแล้วคนที่ทําอย่างนี้มีไหมที่มาได้คุณในวิเศษนั้พระรูายืนยันนคำว่าไม่ใช่เฉพาะตัวพระองค์งเองท่านั้นที่ทําได้แม้แต่ภิกษุก็ไม่ใช่แค่รูปเดียวที่ทําได้เป็นหลายรอยรูปแล้วก็ไม่ใช่แค่ภิกษุอย่างเดียวที่ทําได้ แม้ภิกษุณีก็ทําได้เหมือนกันแต่สมัยนั้นยังมีภิกษุณีอยู่เราก็ไม่ใช่แค่ภิกษุภิกษุณีหรือตัวพระองค์เองที่ทําได้แม้แต่อุบาสก อ, อุบาสิกาก็ยังทาได้เอา้าทำได้อย่างนี้มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะสิถ้าคนอื่นทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้ซึ่งลักษณะนี้แหละคือความมั่นใจที่มากขึ้นเป็นลักษณะการปลูกศรัทธาที่พอมีความมั่นใจถึงจุดหนึ่งแล้วนมันก็เอามาทำเอามาปฏิบัติละเอามาทําการใช้งานให้เกิดขึ้น เป็นประพฤติในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นฆราวาสกับประพฤติแบบฆราวาสถ้าเป็นพระกับประพฤติแบบพระในใมันได้ถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขึ้นไปซึ่งสําหรับพวกปริพาชกที่ถ้าจะมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องมีการอยู่ปริวาสสเดือนนะคำว่าปริวาสนี้ก็คือหมายถึงดูพฤติกรรมก่อนอว่าคุณเป็นยังไงแต่ซึ่งปริพาชกวชชะโครตรคนนี้เขามีความมั่นใจมากเขาบอกให้อยู่4ปีเขาก็จะอยู่ในเยาว่าแต่4เดือนเลย4ปีก็อยู่ได้ ขอให้ได้บวชพระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นถึงกําลังใจของเขาตรงนี้แต่คือมีศรัทธาเป็นพลังมีศรัทธาเป็นพลังมีความเพียรเป็นพลังเอาให้บวชเลยให้บวชแล้วก็รักษาศีลอย่างดีสํารวมอินทรีย์อย่างดี อ, อ, งดนะอะไรที่เป็นคุณวิเสก็ทําได้หมดละพูดง่ายๆคือเป็นอนาคามีละ่ะภายใน15วันแรกแล้วก็ไปขอธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอะไรเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายในทีนั้น นั่นก็คือสมถาะาและวิปัสสนาหนึ่งสมถะวิปัสสนาถ้าเผื่อว่าเราจเจริญทำให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งทธายเป็นเ อ, อนเนกและอเนกมันอะไรบ้างนั่นก็คืออภิญญาทั้ง6กนั่นก็คือความสามารถในการที่จะเหมือนกับเหาะไปได้เดินบนดินเดินบนน้ําได้ความสามารถในการที่จะอ่านจิตใจคนได้รู้อดีตรู้อนาคตได้ความสามารถในการที่จะมีหูทิพตาทิพนี่พวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอภิญญาทั้ง6 มีแล้วยังไงเน่ซึ่งตรงนี้แหละคือเป็นประเด็นที่ทําให้วัชชาโคดอีกคนหนึ่งเนี่ยก็นามสกุนวัชชาโคดในพระสูตรอืนน่นๆเขาก็พูดถึงอยากรู้อยากเรียนเรื่องหูทิพตาทิพีความมีอิทธิวิธีหรือว่าอ่านใจคนได้รู้อดีตอนาคตเนี่ยเนี่ยพอมาเรียนตรงนี้ลกลับไม่ได้เนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกคือถ้าเราจะมาศึกษาธรรมพินยัยปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ความสามารถพิเศษพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยนะ ความคิดอย่างนี้จะทําให้เราเสียเวลานั่นเป็นการเดินทางอ้อมแต่ว่าถ้าเราทําแล้วให้มันได้ถึงสามัญญผลนั่นคือถ้าเราเห็นว่าตรงนี้เป็นผลของการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วก็ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบให้มันดีให้มันชอบเพื่อที่จะขูดเกากิเลสอันนี้ดีแล้วถ้ามันจะได้ผลเป็นยังไงยังไงมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ทําได้เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสามัญญผลเหมือนกันนั่นคืออริญญาตทั้ง6 ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเป็นสามัญญผลอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลเป็นสมาธิก็ตามเป็นศีลก็ตามเป็นปัญญาในความรู้ความเห็นพิเศษเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเราคิดว่าเราจะยกตนข่มท่านเพราะการที่เรามีคุณธรรมข้อนี้ไอการยกตนข่มท่านคิดว่าฉันดีกว่าเธอการที่จะมายึดติดตรงเนี้ยการยึดติดนั้นเนี่ยเป็นภยัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เพราะเราอย่าไปยึดติดในคุณวิเศษเล็กๆลน้อย น, อยนอยแม้เพียงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเอ่อกุณวิเศษแม้เราคิดว่ารู้อดีตรู้อนาคตมันดีแล้วนะมันเลิศแล้วนะหรือว่าเราเห็นอดีตเป็นอย่างนั้นเห็นอนาคตเป็นอย่างนี้อ่านใจคนนั้นคนนี้ได้มันดีแล้วจบแล้วไม่ใช่แต่มันยังมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปอีกซึ่งพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ทําให้มันดีให้มันได้จนถึงขั้นที่เรียก ว, ว่าอาสวะเนี่ยสิ้นไปนั่นคือกิเลสในใจเรา มันเหนือยแห้งไปกิเลสในใจมันสิ้นไปกิเลสในใจที่หมดไปเนี่ยตะบูฟังการเห็นการรู้การอะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พรมนิพพานคือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่นะบางทีเราเห็นอดีอนาคตเห็นชั่วมนรกรู้ใจคนนั้นคนนี้แนะมันกลายเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดกิเลสมากขึ้นโดยซ้ำ ม, มันอันตรายตรงนี้นะครับเจ้าก็เคยเจอบุคคลที่ตอนแรกๆอาจจะนั่งสมาธิแล้วก็เห็นอดีตแหอนาคตเห็นเทวดาตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ละ่ะ แต่ตอนแรกอาจจะจริงสักเกซแต่คิดไปเอง 10% บเวกเข้าไปด้วยเพราะถัดมาถัดมาจิตใจมีความอยากมากขึ้นโมอยากอย่างนั้นอยากนี้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นนี้คิดไปนู่นละมั่วไปละจิตใจมีความอยากมากขึ้นกิเลสเข้าทํางานมากขึ้นคิดปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นจริงมันก็แค่ส0ที่เหลือก็เป็นเรื่องของกิเลสคิดเอาเองอีก 90% ้ตั่นเป็นบ้าไปเลยจำฝังเป็นบ้าไปเลยก็มีอันนี้มันอันตรายเพราะฉะนั้นการเสพธรรมะ อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์คำฝังเป็นไปเพื่อความหนายเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความระ ง, งับฟังอดีตเพื่อความระ ง, งับแต่ถ้าเราเปฏิบัติธรรมแล้วยังฟุ้งซ่างคิดว่าฉันดีกว่าเขาคิดว่าฉันดีแล้วเลิศแล้วแต่ชั้นเหนือกว่าเธอเธอสู้ชั้นไม่ได้ยกตนข่มท่านด้วยคุณวิเศษที่ตัวเองคิดว่ามันดีแต่แตจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่ระ ง, งับไม่ระ ง, งับไม่รู้ยิ่ง ยังไม่รู้ยังไม่รู้พร้อมยังไม่เย็นยังไม่นิพานแต่การปฏิบัติธรรมแตมระวังเพื่อที่จะให้เกิดความระงับระงับระงับอะไรระงับของใจระงับของกายให้ใจมาระงับลงเย็นหลงอย่าฟุ้งซ่านเห็นนั่นรู้นี่อย่าคิดไปโน่นไปนี่ให้มีสติตั้งเอาไว้แต่มีสิ่งที่ยิ่งไปกว่านี้คือความดับเย็นอยู่เอาก็ทําต่อไปจลไม่มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะดีอย่างกรณีของ ท่านพระวัจจะ บ, บวชแล้วนี่แหแล้วก็ปฏิพฤติปฏิบัติให้มันได้ถึงที่สุดเนี่ยมันดีมันสุดยอดเลยเป็นผู้ที่บำเรอพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะไปนวดเท้าล้างเท้าหรือว่าประครบประงมพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะด้วยกรณีอย่างใดใดนั่นก็เป็นการบำเรอประครบประงมในภายนอกแต่ว่าให้บำเรอกันด้วยธรรมแต่ทํามอย่างนี้แหมมันเป็นผู้ที่ไม่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลําบากด้วยเหตุแห่งดํา หรือแม้แต่เราไปวัดไปหาครูบาอาจารย์นี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราจะไปประคบประ ง, งมให้สิ่งที่เป็นอามิตรเออนั่นก็เป็นอามิตรแก็เป็นบุญก็ดีแต่เราไปประคบประ ง, งมให้เป็นธรรมธายาอันนี้มันยิ่งดีมากยิ่งขึ้นไปวัดให้มีกิเลสลดลงไปวัดให้มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวให้จิตใจที่มันพร่องอยู่เนี่ยจากการที่มันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยให้มันเต็มขึ้ น, นเต็มขึ้นด้วยความสงบระงับเต็มขึ้นด้วยธรรมะอันนี้มันดี ในพระสูตรเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของวัชโคดก็คือคนที่นามสกุลวัชชะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนเดียวกันนี่แหละแล้วก็ในที่สุดก็ได้ทําให้แจ้งซึ่งอาราตผลได้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆงกันมาได้หรือเขียนเป็นจดหมายหรือปรษณียบัตโอนมาที่วัดป่าดอนหาโศกเลขที่1หมู่แปดตบลดอนหาโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ purethmarn com puredhammam com ยอดนิยม